มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวัคพรหมโลกะกัสมมระปัญหาที่ห้า ว่าตายพร้อมกันคนหนึ่งไปเกิดในพรหมโลกคนหนึ่งไปเกิดในเมืองกัสมิละข้างไหนจะเกิดก่อนพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเษนผู้เจริญคนกระทำกาลกิริยาตายจากมนุษยโลกนี้พร้อมกันคนหนึ่งนั้นไปบังเกิดในพรหมโลก คนหนึ่งนั้นไปบังเกิดในกัสมีระนครใครจะเกิดได้ก่อนพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารคนทั้งสองนั้นเกิดได้พร้อมกันสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่ายังกะไรกระนั้นนี่หม่นพระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารชาติภูมิของมหาบาพิษสถิตสถานที่ใดเล่าฝ่ายพระเจ้ากรุงมิรินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าโยมังเกิดที่กาละิระคามอันนี้ในเกาะอ阿拉สันดะนั้นพระนาคเษนจึงถามว่าไกลกับที่นี้เท่าไรพระเจ้ากรุงมิรินปิ่นกษัตระสัตรัสว่าพันเตนาค เ, เสนาะข้าแต่พระนาคเษนผู้เจริญ ตั้งแต่กาลเสียระคามมาถึงที่โยมอยู่นี้ไกลสองโยโยธโดยวัดพระนาคเษนจึงถามสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ว่ามหาราชาดุรานะบพิษพระราชสมภารแต่ที่นี้ไปจนถึงกัตเซมิระนครนั้นจะประมาณทางเท่าไรเล่าพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสบอกว่าไกลสิบสองโยธโดยวัด พระนาคเกษจิงตรัสเตือนพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ว่าบอพิจจงคิดไปถึงกาละเสระคามเถิดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าข้าแต่พระนาคเกษผู้ประเสริฐโยมคิดดูแล้วพระนาคเกษจิงว่าบอพิจพระราชสมผลเจ้าจงระลึกถึงกัสมิระนะครเถิดพระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็ น, นเจ้าผู้ประเสริฐ โยมคิดแล้วพระนาคเษนจิงถามว่ามหาบาพิษคิดไปข้างไหนจะถึงก่อนมาเร็วกว่ากันพระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าถึงพร้อมกันพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่าชั้นใดก็ดีบุคคลที่ตายในอิทะโลกนี้พร้อมกันคนหนึ่งไปบังเกิดในพรหมโลกคนหนึ่งนั้นไปบังเกิดในเมืองกัตสมิรนะคร ก็พร้อมกันเหมือนกันดังนั้นพระเจ้ากรุงมีลินปิ่นธรณีมีพระราชองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งกว่านี้พระนาคเสนมีเทระวาจาว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดสกุณชาตสองตัวบินไปบนอากาศสกุณชาติทั้งสอง ลงจับไม้ต้นเดียวกันตัวหนึ่งนั้นจับสูงตัวหนึ่งนั้นจับต่ำแต่ว่าจับตรงกันตกว่าเงาสกุณชาตินั้นตกลงปรากฏอยู่ณพื้นปฐพีเงานกที่จับอยู่สูงจะลงมาถึงดินก่อนหรือว่าเงานกที่บินมร่อนไปจับต่ำนั้นจะถึงก่อนประการใดพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสวิสัชนาแก้ไขว่า พันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเงานกนั้นตกถึงปัทถภีเสมอกันพระน่าเกเสนจึงถวายพระพรว่าชั้นใดก็ดีบุคคลทั้งสองตายจากอิทะโลกนี้พร้อมกันคนหนึ่งเกิดในชั้นพรมคนหนึ่งเกิดในเมืองกัดสมิละนคร น, นั้นก็พร้อมกันดุดเงาแห่งนกจับตรงกันเงานั้น ลงมาถึงดินพร้อมกันขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาขาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระคุณจงกระทำอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้พระนาคเสนมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบ่อพิษจงทอดพระเนตรดูพระจันทร์พระอาทิตย์ อันอยู่บนเวหานั้นไกลกันกับที่เราอยู่นี้สี 42, ่หมื่นสองพันโยจะเห็นพระจันทร์ก่อนหรือว่าจะเห็นพระอาทิตย์ก่อนเป็นประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตรรัสแก้ไขว่าโยมแลเห็นพร้อมกันพระนาคเกษจิงถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีบุคคลทั้งสองตายพร้อมกันในอิทะโลกนี้คนหนึ่งไปเกิดในพรหมโลกคนหนึ่ง ไปเกิดในเมืองกัตสมิระนะครนั้นก็พร้อมกันมีอุปมาดังนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระมิลินภูมินทราธิบดีมีพระทัยโสมนาตรัสว่ากัลโลสิสมควรแล้วที่พระผู้เป็นเจ้า ว, วิสัชนามาในการบัดนี้พรหมะโลกะกัดสมิระบัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้